จเจ น, นิญพรท่านพระีจิตเมตตากรุณาใจบุญใจกุศล ท, ทุกทุกท่านวันนี้เป็นวันจันทร์ที่14กรกฎาคมพุทธศักราช2557เป็นวันหยุดชดเชยการทา ง, งานหนึ่งวันเนื่องจาก วันเข้าพรรษาตรงกับวันเสาร์ทางราชการยังได้กำหนดให้ข้าราชการได้หยุดทำงานเพิ่มอีกหนึ่งวันจึงถือว่าวันนี้เป็นวันกำไรของพวกเราเพราะถ้าไม่มีวันหยุดเฉยๆวันนี้เราก็จะ ต้องไปทำงานกันถ้าไปทางานก็จะไม่ได้มาวัดไม่ได้มาวัดก็จะไม่ได้มาสร้างบุญสร้างกุศลที่จะเป็นเหมือนเชื้อเพลงพาชีวิตของเราให้ได้เดินทางใกล้สู่จุดหมายปลายทางอย่างนั้นการได้มาวัด ในวันนี้จึงถือว่าเป็นกรรมไรเพราะจะได้มาศึกษามาฟังเทศฟังธรรมของพ่อพระพุทธเจ้าที่มีควรมีประโยชน์ที่เป็นมงคลอย่างยิ่งแก่ชีวิตดังในพระบาลีที่ตัดไว้ว่า การเลนะธรรมบัตสวางังเอตัมมังกาลมมตตังการได้ฟังธรรมตามการตามเวลาเป็นมงคลอย่างยิ่งเพราะอนิสง์ของการได้ฟังธรรมนี้มีคุณมีประโยชน์แก่จิตใจของเรานั่นเองเพราะจะทำให้นำพาชีวิตเรา ไปสู่ความร่มเย็นเป็นสุขไปสู่ความหลุดพ้นจากความทุกข์ความวุ่นวายใจต่างๆการฟังธรรมนี้ทรงตัดไว้ว่ามีอนิสองส์อยู่ห้าประการด้วยกันคือหนึ่งจะได้ยินได้ฟังสิ่งที่เราไม่เคยได้ยินได้ฟังมาก่อน 2. ส, สิ่งที่เราเคยได้ยินได้ฟังแล้วพอได้ฟังซ้ำอีกก็จะทำให้เกิดความเข้าใจดีขึ้นไปตามลำดับ 3. จะทำให้เกิดในสัมมาทิฏฐิความเห็นชอบความเห็นที่ถูกต้อง 4. จะกำจัดความลังเลสงสัย ต่างๆออกไปได้ถ้าจะทำให้จิตใจมีความสงบผ่องใสมีความสุขนี่คือมงคลคืออภที่เราจะได้นับจากการศึกษาฟังเทศฟังธรรมของพระพุทธเจ้าจะทำให้เกิดแสงสว่าง ให้แก่ชีวิตของพวกเราที่ตอนนี้มืดบอดด้วยความหลงมืดบอดด้วยความโลภมืดบอดด้วยความโกลัจึงทำให้เราต้องไปทำสิ่งที่เสียหายทำให้เกิดทุกข์เกิดปัญหาต่างๆให้ตามแก้แบบไม่รู้จักจบจากสิ้น เพราะเราเป็นเหมืนคนตาบอดนั่นเองคนตาบอดถ้าเดินไปตามลาพังก็จะมักต้องไปเจอกับเรื่องราวต่างๆคือเจอความเจ็บเจอความทุกข์เพราะเดินไปจะไม่เห็นว่าข้างหน้ามีอะไรบางทีก็เดินไปชนเสาบ้างเดินไปชนต้นไม้บ้าง บางทีก็เดินไปหาสัตว์เช่นสุนัขให้มันกลับบ้างบางทีก็เดินตกหนุ่มตกบอ่อเพราะว่ามองไม่เห็นทางนั่นเองชีวิตของพวกเราก็เป็นอย่างนี้มองไม่เห็นทางกันมองไม่เห็นทางสู่สวรรค์มองไม่เห็นทางสู่นรกก็เลยเดินไปตามตามมีตามเกิดถ้า เป็นบุญก็ได้เดินไปทางสู่สวรรค์ถ้าเป็นกรรมก็เดินไปสู่นรกโดยไม่รู้สึกตัวบุญเป็นอย่างไรก็คือเวลาที่เรามีจิตใจอยากจะทำความดีอันนี้เรียกว่าเป็นบุญเป็นบุญเก่าการที่เราจะอยากจะทำความดีน้านี้เกิดจาก การที่เราเคยทำความดีมาในอดีตถ้าเราเคยทำบุญมาในอดีตเราก็จะมีความอยากที่จะทำบุญถ้าเราเคยทำบาปมาในอดีตเราก็อยากจะทำบาปนี่คือนิสัยของพวกเราที่ยังไม่เห็นผลของบุญของบาป เราก็เลยทำกันไปตามความรู้สึกนึกคิดตามบุญตามกรรมวันไหนเป็นวันของบุญวันนั้นก็ทำบุญวันไหนเป็นวันกรรมก็จะทำบาปแต่ถ้าเราได้มาฟังเทศฟังธรรมฟังคำสอนของพระพุทธเจ้าเราก็เหมือนกับจะได้แสงสว่างจะได้เห็นว่าการทำบุญนี้ พาให้เราไปสู่สวรรค์การทําบาปนี้จะพาให้เราไปสู่อบายไปสู่นรกนี่คือประโยชน์ที่เราจะได้รับจากการฟังธรรมจะได้แสงสว่างทำให้เรามองเห็นทางเดินของเราว่าตอนนี้เรากำลังเดินไปทางไหนถ้าเรารู้ว่าเรากำลังเดินไปทางอบาย เราก็จะได้เปลี่ยนทางได้เหมือนกับคนตาบอดถ้าถ้านลืมตาขึ้นมาได้เขาก็จะเห็นว่าข้างหน้ามีอะไรบ้างมีอะไรที่เป็นภัยกับเขาหรือไม่เช่นมีหลุมมีบ่อมีเสามีต้นไม้เขาก็จะไม่ได้เดินเข้าไปหาเขาก็จะได้ไม่ต้องไปชนต้นไม้ ไม่ต้องไปตกหลุนตกบอ่อพวกเราก็เหมือนกันถ้าเรามองเห็นสวรรค์มองเห็นนรกมีใครบ้างอยากจะไปนรกกันอย่างนรกของพวกเราที่มีตาที่เป็นมนุษย์อยู่นี้ก็คือคุกตาราง น, นี่เองพวกเราเห็นคุกตารางกันหรือไม่รู้ว่าคุกตารางเป็นอย่างไรหรือไม่พวกเรารู้กัน จึงไม่มีใครอยากจะไปติดคุกติดตารางกันแล้วเราก็รู้ว่าเหตุอันใดทำให้เราต้องไปติดคุกติดตารางกันก็คือการทำผิดกฎหมายต่างๆนั่นเองเราจึงไม่กล้าทำผิดกฎหมายกันเพราะเรากลัวคุกกลัวตารางกันแต่เราไม่กลัวนรกกันเราไม่กลัวอบายกันเพราะเรามองไม่เห็นนั่นเอง ถ้าเราไม่เชื่อพระพุทธเจ้าเราก็เป็นเหมือนคนตาบอดที่ไม่เชื่อคนตาดีถ้าเรามีคนตาดีคนตาบอดมีคนตาดีนำทางเขาก็จะปลอดภัยเขาก็จะไม่เดินไปตกหลุมตกบอ่อไปชนต้นไม้ไปชนต้นเสาฉันใดถ้าเรายังไม่มีตา ที่จะมองเห็นนรกเห็นสวรรค์เราก็ต้องเชื่อคนที่มีตาที่เห็นนรกเห็นสวรรค์แล้วเราก็ต้องเชื่อพระพุทธเจ้าเชื่อพระสาวกทั้งหลายที่มีดวงตาเห็นธรรมเห็นทางไปสู่นรกเห็นทางไปสู่สวรรค์ถ้าเราเชื่อแล้วเราทำตามผู้รู้ผู้มีดวงตาเห็นธรรม เราก็จะไปสู่จุดหมายปลายทางที่ดีที่เราปรารถนากันเราจะได้ไม่ต้องไปสู่นรกไม่ต้องไปสู่อบายกันอยู่ที่ความเชื่อในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นี่เองเพราะว่าเรายังไม่มีตาไม่มีดวงตาเห็นธรรมไม่มีแสงสว่างภายในใจคือสัมมาทิฏฐินี่เอง เราจึงต้องใช้ศรัทธาความเชื่อเชื่อว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสสอนเป็นสวากขาโตภะ ว, วตาธรรมโมคือเป็นธรรมที่ตัดไว้ชอบแล้วถูกต้องตามความจริงทุกประการเช่นนรกมีจริงสวรรค์มีจริงกรรมมีจริงตายแล้วต้องไปเกิด มีจริงตายแล้วต้องไปใช้กรรมถ้าทำบาปก็ต้องไปเกิดในอบายถ้าทำบุญก็ไปเกิดในสวรรค์ชั้นต่างๆเราถ้ายัางมองไม่เห็นเรื่องราวเหล่านี้เราก็ควรเชื่อพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เพราะผู้ที่เชื่อพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นี้ก็จะได้ไปได้ไปพบกับสวรรค์ ชั้นต่างๆจนได้ไปถึงสวรรค์ชั้นสูงสุดคือพระนิพพานมีจำนวนมากที่ได้เป็นพระอาหารหันต์จากการเชื่อคำสอนของพระพุทธเจ้าได้หลุดพ้นจากวัตตะแห่งการเวียนว่ายตายเกิดได้ไปถึงพระนิพพานแดนอากาศเสมสำราญที่มีแต่ปรมาสุขขงัง มีบร ม, มสุดนี่คือผลที่เราจะได้นับจากการเชื่อพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เชื่อคำสอนของพพุทธเจา้าเชื่อคำสอนของพระอริยสงฆ์สาวกเพราะท่านเป็นผู้มีดวงตาเห็นธรรมท่านเห็นนรกเห็นอบายเห็นสวรรค์เห็นนิพพานท่านเห็นทางที่จะพาไปสู่ อบายพาไปสู่นรกเห็นทางที่จะพาไปสู่สวรรค์พาไปสู่นิพพานท่านจึงนำเอาสิ่งที่ท่านรู้ท่านเห็นนี้มาเล่าให้พวกเราฟังเพื่อที่พวกเราจะได้รับประโยชน์จากการฟังคำสอนของพระพุทธเจ้าและของพระสาวกทั้งหลาย ก็เราจะได้รู้ว่าตายไปแล้วเราไม่ได้หายไปไหนตายเวลาตายไปนี้มีแต่ร่างกายที่ตายไปเท่านั้นแต่ตัวเราคือใจนี้ไม่มีวันตายเราก็ต้องไปรับผลบุญผลบาปต่อเหมือนกับถ้าเราทำผิดกฎหมายเราก็ต้องไปติดคุกติดตาราง ถ้าเราทำความดีเราก็ไปรับรางวัลต่างๆอันนี้เหมือนกันเพียงแต่ว่าเรามองไม่เห็นส่วนที่เป็นจิตใจเราเห็นส่วนที่เป็นร่างกาเราจึงไม่รู้ว่าการทำบาปนี้จะทำให้เราต้องไปเกิดในอบายกันเราไม่รู้ว่าการทำบุญ จะทำให้เราได้ไปเกิดบนสวรรค์ชั้นต่างๆกันดังนั้นสิ่งที่เราต้องมีในขณะนี้ก็คือศรัทธาความเชื่อขอให้เราเชื่อพระพุทธพระธรรมพระสงเถิดและเราจะไม่ผิดหวังเพราะพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นี้ท่านเป็นคนที่มีสักจำคำพูดของท่านเป็นคาความจริง ทุกประการไม่มีคำเท็จไม่มีการโกหกหลอกลวงให้พวกเราทำความดีแล้วไม่ได้รับอนิสง์ของการทำความดีพวกเราอาจจะเข้าใจผิดก็ได้ว่าเวลาเราทำความดีแล้วเราควรจ ะ, จะเจริญในลาบยศสละเสริญจเจริญใน ความสุขทางตาหูจหมูกลิ้นกายอันนี้ไม่ใช่เป็นผลที่เราจะได้รับจากการทําความดีเช่นเดียวกับการไม่ทําบาป ก, ก็ไม่ได้หมายความว่าเราจะไม่เสื่อมจากราบยศสรรเสริญเสื่อมจากรูปเสียงเกิดลดโผฏฐาภะเพราะเรื่องของราบยศสรรเสริญนี้ไม่ได้ขึ้นอยู่กับ ก, บการทําบุญหรือทำบาป ก, การไม่ทําบุญไม่ทําบา ก็สามารถเจริญในลาบยศสารเสริญได้หรือการทำบาปก็สามารถเจริญในทางลาบยศสารเสริญได้เช่นคนที่ช่อโกงเขาก็เจริญลาบได้ร่ำรวยได้เป็นใหญ่เป็นโตขึ้นมาได้ดังนั้นขอให้เราจงทำความเข้าใจให้ถูกต้องว่าผลที่เราจะได้นับจากการทำ บุญหรือทำบาปนี้ไม่ได้อยู่ที่ลามยศสรรเสริญไม่ได้อยู่ที่ความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายแต่อยู่ที่จิตใจของเราปัจจุบันถ้าเราทำบุญจิตใจของเราจะมีความสงบมีความสุขมีความอิ่มมีความภูมิใจมีความสุขใจตายไปใจของเราก็ได้ไปสวรรค์ ถ้าเราทำบาปปัจจุบันใจของเราก็จะวุ่นวายเดือดร้อนมีความเครียดมีความมิตกมีความกังวลต่างๆตายไปใจก็ต้องไปเกิดในอบายไปเป็นเดรัจฉานบ้างไปเกิดเป็นเปรตบ้างไปตกนรกบ้างนี่คือผลที่เกิดจากการทำบุญและทำบาป ดังนั้นเวลาเราทำบุญแล้วเราไม่รวยขึ้นเราไม่เป็นใหญ่เป็นโตเพิ่มมากขึ้นไม่มีใครยกย่องสรรเสริญไม่มีความสุขกับรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐาภะ <c oughs> ก็ขอให้เราเข้าใจไว้ว่ามันไม่ใช่เป็นเหตุเป็นผลกันแต่ถ้าเราทำบุญแล้วขอให้เราดูที่ใจเราว่ารู้สึกอย่างไร ทำบุญแล้วใจเย็นใจสบายใจมีความอิ่มความพอหรือไม่อันนี้ต่างหากคือผลที่เกิดจากการทำบุญเช่นเดียวกับผลที่เกิดจากการทำบาปก็ต้องดูที่ใจทำบาปแล้วใจนอนตาหลับไหมใจวุ่นวายหรือไม่วุ่นวายใจวิตกหรือไม่วิตกนี่แหละคือผลต้องดูที่ใจ ไม่ว่าจะเป็นผลบุญหรือผลบาปแล้วก็เวลาตายไปใจนี่ละที่จะจะไปสู่อบายหรือสู่สวรรค์ชั้นต่างๆถ้าเราเข้าใจหลักนี้แล้วเวลาเราทำบุญเราจะได้ไม่มีความยออ่อท้อถ้าเราไม่เจริญในรากยศเสริญไม่เจริญในความสุขทางตาหูจมูกลิน้นกาย แล้วถ้าเราทำบาปแล้วเราไปเจริญในลาภยศสารเสริญเราก็ากจะได้รู้ว่ามันไม่ได้เป็นผลเราจะได้ไม่หลงละเริยไปทำบาปเหมือนกับคนบางคนที่คิดว่าทำบาปแล้วกลับได้ดีมีถมไปทำบาปแล้วร่ำรวยทำบาปแล้วเป็นใหญ่เป็นโต เขาก็เลยจะมีมิจฉาทิฐิมีความเห็นผิดแล้วเขาก็จะทำบาปไปเรื่อยๆจิตใจของเขาจะรุ่มร้อนจะวุ่นวายอย่างไรเขามองไม่เห็นเพราะเขาจะมองอยู่แต่ลาภยศสรรเสริญสุขที่เขาจะได้จากการทำบาปเท่านั้นและเวลาเขาตายไปเขาไปเกิดเป็นเดรัจฉานหรือไปตกนรก หรือไปเป็นเปรตเขาก็จะไม่รู้ว่าเขามาเป็นเดชะฉานมาเป็นเปรตมาตกนรกได้อย่างไรเพราะเขาไม่เห็นเหตุและผลของการกระทําของเขานั่นเองเขาไม่รู้ว่าการทําบาปของเขาถึงแม้จะทำให้เขาร่ำรวยเป็นใหญ่เป็นโตแต่ในที่สุดเขาก็จะต้องไปเป็นเดชะฉานเป็นเปรตไปตกนรก นี่เพราะว่าเขาไม่ได้เข้าหาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ไม่ได้ศึกษาไม่ได้ฟังเทศฟังธรรมแต่ถ้าเขาได้ฟังเทศฟังธรรมและเขาเชื่อสิ่งที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนเขาก็จะเห็นเหตุเห็นผลของบุญและบาปแล้วเขาก็จะไม่กล้าทำบาปจะทำแต่บุญไปเรื่อยๆบุญก็จะนำพาให้เขาได้เจริญ ขึ้นไปเรื่อยๆขึ้นไปในสวรรค์ชั้นต่างๆไปจนถึงสวรรค์ชั้นสูงสุดได้ก็คือพระนิพพานีเกิดจากการที่เราได้มีเวลามาฟังเทศน์ฟังธรรมกันเมื่อเราฟังแล้วเราเชื่อเราจะได้ทำบุญเราจะได้ละบาปเราจะได้กําจัด กิเลสตันหาความโลภความโกรธความหลงต่างๆที่เป็นตัวผักดันให้เราไปเวียนว่ายตายเกิดไม่มีวันจบไม่มีวันสิ้นพอ เ, เราเชื่อแล้วเราทาตามได้เราก็จะพัฒนาใจของเราให้ขึ้นไปตามลำดับขึ้นไปตามสวรรค์ชั้นต่างๆไปจนถึงพระนิพพานในที่สุดได้ นี่คือการกระทำที่พระพุทธเจ้าและพระสาวกทั้งหลายได้กระทำมาในอดีต ท, ท่านก็เคยพบกับพระพุทธเจ้าได้ยินได้ฟังพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วก็หมั่นปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้าทุกภพทุกชาติจงติดเป็นนิสัยมาจะไม่ชอบทำบาปจะชอบทำบุญจะชอบทำละใจ ชอบตัดความโลภความโกรธความหลงความอยากต่างๆไปเรื่อยๆจนในที่สุดก็จะสามารถยุติการเวียนว่าตายเกิดได้ขึ้นไปถึงสวรรค์ชั้นสูงสุดคือพระนิพพานไดน้ด้วยการที่มีศรัทธาความเชื่อในพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจา้านี้เองดังนั้นขอให้พวกเราทั้งหลาย จงมีศรัทธาความเชื่อหลังจากที่ได้ยินได้ฟังพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วขอให้เชื่อว่าเป็นความจริงร้อยเปอร์เซ็นถ้าปฏิบัติตามได้ก็จะได้ผลร0อยเปอร์เซ็น์ได้ผลอย่างเดียวกับที่พระพุทธเจ้าและภาษาวกทั้งหลายได้รับผลกันอย่างแน่นอนจึงขอฝากเรื่องของการ ได้กำไรในวันนี้ได้มาฟังเทศฟังธรรมได้ฟังสิ่งที่เป็นคุณเป็นประโยชน์เป็นแสงสว่างนำทางพาชีวิตของเราให้อยู่ห่างไกลจากความทุกข์ทั้งหลายให้อยู่ห่างไกลจากการเวียนว่ายตายเกิดให้ได้เข้าสู่พระนิพพานแดนอันกเกษงสำราญขอให้ท่านจงนำเอาไปปฏิบัติ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 จากทุกภัยอันตรายทั้งหลายทั้งปวงโดยทั่วหน้าการเธอ